ที่ไม่ดีไพ่ที่ไม่สวยแล้วนกะ็บาคนเราเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเจอกับได้งานที่ไม่ดีได้เพื่อโรงงาที่ไม่น่ารักได้เจา้านายที่ไม่เป็นธรรมหรือบางทีก็เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยไอนะ้พวกนี้ก็เหมือนกับไพ่นะที่เราเลือกไม่ได้นะเราจูบไพ่เราก็ไม่สามารถจะเลือกไพ่ได้นะ ไพ่ที่ดีก็มีได้ไพยที่ไม่ดีก็มีอันนี้เมื่อได้ไพ่ที่ไม่ดีมาแล้วเนี่ยมันป่วยการที่จะบ่น้วยวายตีโพดีทายว่าฉันทำกรรอะไรมาถึงได้ไพยไม่ดีแบบนี้หน้าที่ของเราหรือผู้ที่ปัญญาถือว่าเมื่อได้มาแล้วก็พยายามใช้ไพ่ที่มีอยู่ให้เจิดประโยชน์มากที่สุด ถึงแมจะได้ไพใไม่ดีไพ่เสปลี่ยสตาแต่ว่าจะใช้สติปัญญาเนะี่ยมันก็สามารถจะชนะได้เหมือนกันมันอยู่ที่จะชนะหรือแพ้มันไม่ได้ที่ว่าเราได้อะไรมานะแต่มีที่ว่าเราเดียเปี่ยวมันไม่ไดที่ว่าเราได้อะไรมาม่ไที่ว่าเราใช้มันอย่างไรเราใช้ความเพียรใช้สติปัญญาไหมอันนี้แหละคือหัวใจของ แล่ลมาว่าเราจะสุขหรือทุกขจะเจริญหรือเสื่อมเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่ความเพียรพยายามของเราอยู่ที่การใช้สติปัญญาของเราไม่ได้ที่ว่าเราได้อะไรมานะบางคนเนี่ยนะพ อ, ะเอเจอเจอ้านายที่ไม่มีเจอคนที่ไม่นา่ารักหรือแม้แต่ท่านเกิดมาในครอบครัวที่ ไม่สมบูรณ์ได้ร่างกายที่ไม่สมประกอบก็ไปบนนะ่นว่เอ้ยนทำอะไรมาชาติที่แล้วถึงกรรมถึงได้เป็นอย่างนี้นะคนได้เข้าใจอปนี้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะถ้าได้ไม่ดีก็ไปโทษกรรมในชาติที่แล้วหรือกรรมในชาติฟังก่อนแล้วก็จะบนงั้นแหละอันนี้ไม่ถึงมุ่งหมายของการที่พู้เจ้าเนี่ยสอนองกฎแห่งกรรมนะ สอนว่าที่เราเป็นในทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะกรรมในชาติที่แล้วจะสอนว่ากรรมในปัจจุบันเนี่ยหรือการทําในปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะอย่าได้ความสุขความเจริญก็ต้องทําความเพียรใช้สติปัญญาศึกษาหาวิชาวความ ร, วรู้จักดทอมถ้าเจ็บป่วยได้โรคอะไรมาก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของเราในอดีตนะหรือว่า ธุรกิจแล้วมันเกิดได้สำเร็จขึ้นมาหรือเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ำมันนี้ก็แล้วแต่มันจะเกิดพราะมันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นยะ่าใจมัวแต่กลุ้ม อ, อกกุ้มใจเพราะเป็นเพราะเราทำกรรมอะไรมานะถึงเป็นอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาถึงได้พอ่อแม่ที่ไม่ดีไม่อบอุ่นทำกรรมอะไรมาถึงได้มีร่างกายไมสมประกอบทำไมถึงเกิดมาเป็นคนยากน เุศสอนนะกุศลสอนในกฎแห่งกรมเพื่อว่าให้เราตั้งนกรกาทางความเพียรใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจะได้อะไรมากก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มานี่ทำให้มันดีที่สุดนนะมันก็เกิดผลดีขึ้นมาได้ก็มันจะแม่ครัวนะหรือพออครัวเนี่ยถึงแม้ว่าได้มีเครื่องครัวไม่ครบ วัตถุดิดก็ไม่มากบางทีมีแต่ผักนะเนื้อไม่มีเลยนะแต่ว่าถ้าหากไม่มัวแต่บนนะใช้สติปัญญาใช้ความเพียรใช้ความสามารถก็สามารถปรุงอาหารให้อร่อยได้นะอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่ได้คิดเครื่องว่ามีมากน้อยเท่าไหร่แต่ที่ว่าความสามารถของแม่ครัวความตั้งใจของแม่ครัว คนที่มีวัตถุดิบเยอะนะเครื่องครัวพร้อมแต่ปรุอาหารแม่อร่อยก็เยอะนะเพราะว่าหลายเพราะว่าไม่ตันกายทาไม่มีความสามารถไม่ใช่สติปัญญาหรือไม่ก็เอาแต่ปรามาแก็เ้ยฉันมีเครื่องครัวพร้อมปรุงอะไรก็อร่อยนะอันนี้เราคมามหมายแรก้ระจายนะว่าที่เราบางทีเไมือนกับนะแม่ครันะที่ได้อาหารมาไม่ครบได้มี ไม่มากพอแต่ถ้าเรานะใช้ความเปลี่ยนใช้ความพยายามเราก็สามารถจะปรุงอาหารอร่อยมาหารแทบแบบนี้ก็หมายถึงว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนะมีความเจริญก้าวหน้านในการงานรวมทั้งมีความสุขด้วยอย่าไปมมวแต่บ่นว่าทำไมฉันได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่เห็นข้วท่าเลยเกิดมานี่ขานโ น, น่นฐานนี่นะ เยอะนะคนที่เกิดมาพิการคนที่เกิดมายากจนนะแต่ว่าเขาไม่ยอดพอนะเขาก็สามารถจะทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญได้นะมองคนประสบอุบัติเหตุนะแต่ว่าก็ไม่มัวแต่บนไม่ตีอวชกผัวนะไม่ไปโทษวมชะตาไม่ไปโทษตาดีไม่ไปโทษคนทำ ไ, ไ, ไม่ไปโทษกรรมในชาติตางก่อน ไม่ย่อท้อแตะอุปสรรคอย่างนี้แหละจึงจะเกิดความสุขความเจริญความสำเร็จได้กฎแห่งกรรมเรือนนี้นะกฎแห่งกรรมเรือนนี้น ะ, ะก็คือว่าทุกอย่างมันจะมีหรือร้ายนะขึ้นหรือลงเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของเรา เ, เรื่องของโชคนะบางคนเขบอกว่าโชคไม่ดีเจอแบบโน้นเจอแบบนี้นเบบนี่ยนะไม่สําคัญนะแต่ถ้าแต่ว่าเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะเป็นคุณค่าของมันใช้ให้มันเกิดประโยชน์เป็นที่เนี่ยมันก็เกิดผลได้เหมือนกันคนที่ยากจนนะแต่ว่าประสบความสุขความเลยในด้านฝ่ายก็เยอะนะคนที่ร่ํารวยเกิดมาขาช้อนเป็ช้อนทอง ก็ตกต่ำย่ำแย่ก็มีมากเนี่้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมให้ถูกนะกฎแห่งกรรมที่พระเจ้าสอนเนี่ยเลือกกับตุ้นให้เราทำความดีมีคางเขียนมันเทียนนะไม่มัดไม่ทอแทะ้ทอดถอยกับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ได้มานะจะได้อะไรมกรักล้าแต่รู้จักใช้ให้มันเป็นเนี่ยก็เกิดประโยชน์ได้นะนแล้วก็เกยดรับพร